ตเิพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุธที่ส2สองมกราคมพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมัสวรรวันฝังธรรมวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสรรค์ที่พึ่งทางใจให้มีความแน่นหนามั่นคงจนไม่เสื่อมคลายไปด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติ ตามด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาสิงด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมนี่คือวิธีสร้างสาระที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนั้นที่เรารู้จักกันเป็นที่พึ่งภายนอกยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงที่จะดับ ความทุกข์ต่างๆที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้นั้นต้องเป็นที่พึ่งภายในตอนนี้เรามีที่พึ่งภายนอกกันแต่เรายังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เรายังมีความวุ่นวายใจมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ มีความกมังวลมีความวิตกมีความหวาดกลัวมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าพระรัตนตรัยคือสรณ ะ, ะที่อยู่ภายนอกเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงสาวมยังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของเรานั่นเองเราจะ เอาเข้ามาได้ก็ต้องปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกนี้เปรียบเหมือนกับเป็นแผ่นป้ายโฆษณาสินค้าที่เราเวลาเดินทางไปตามท้องถนนเราจะเห็นมีป้ายโฆษณาบอกสินค้าชนิดต่างๆแต่เรายังไม่ได้สินค้าจากป้ายที่เราเห็น ถ้าเราอยากจะได้สินค้าเราก็ต้องไปตามสถานที่ที่เขาจัดขายเช่นตามร้านค้าขายของต่างๆเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ถึงจะได้สินค้าที่เขาโฆษณาพระรัตนตรัยก็คือ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรายึดเป็นจารณะเป็นที่พึ่ง ภายนอกนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับเป็นป้ายโฆษณาสินค้าคือคุณธรรมคือพุทธธรรมะสังข์ที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสัอนคือทำบุญให้การร <Okay. S 1> ักษาศีลงบำเพ็ญจิตตภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญา จนมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมานั่นและคือธรรมะที่แท้จริงคือแสงสว่างแห่งธรรมที่เกิดจากการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจให้ถือว่าสาระภายนอกนั้นยังไม่ได้เป็นสาระที่แท้จริงเช่นพระพุทธรูป ที่เรามีกราบไหว้บูชาที่เราห้อยไว้ที่คอของเรานี้ไม่ได้เป็นสาระเพราะยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้เป็นเพียงพุทธารุสติเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนป้ายโฆษณาที่เตือนใจให้เรารู้ว่ามีสินค้าชนิดนี้ขายอยู่ในท้องตลาดท่านั้นเอง เราห้อยพระก็ดีหรือเรากราบพระก็ดีนี้ไม่สามารถป้องกันภัยคือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจไม่เศร้าโศกเสียใจเราก็ต้องน้อมเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาคำสอน พระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนด้วยสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนในที่สุด <c oughs> ก็บรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมะสวรณคปรากฏขึ้นมาภายในใจผู้ใดมีธรรมะสวรนณะผู้นั้นก็มีพุทธะสวรนณะ และสังฆสารณะพร้อมๆกันพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดมีธรรมผู้นั้นมีมเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นธรรมได้นั้นจะต้องเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนนั้น ถ้าพวกเราอยากจะมีสาระที่แท้จริงเราต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเช่นทุกๆวันพระพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกทางการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขจากตาหูจมูกลินกายจากรูปเสียงกลิ่นรสมา เข้ามาสู่วัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมวันพระจึงเรียกว่าวันธรรมะสวัสดวันฟังธรรมฟังธรรมเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรกันนั่นเองเมื่อรู้ว่าจะปฏิบัติอะไรแล้วเราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นสุปฏิปันโน การปฏิบัติที่ถูกต้องนี่เรียกว่าสุปฏิปันโนถ้าเราไม่รู้เราไม่ศึกษาเราก็อาจจะปฏิบัติผิดก็ได้แทนที่จะเป็นสุปฏิปันโนก็จะเป็นไม่ไม่ใช่ไม่เป็นสุปฏิปันโนถ้าปฏิบัติไม่ถูกผลที่ต้องการก็จะไม่เกิดเพราะว่าการปฏิบัตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นมา ถ้าเราดำเนินเหตุที่ผิดผลที่เราปรารถนาก็จะไม่เกิดแทนที่จะมีความสุขกับจะมีความทุกข์แทนที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกับจะถูกติดกับอยู่ในวัฏจักรแ่นการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเรยพราะเมื่อเราฟังแล้วฟังซ้ําอีกแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเมื่อเราเกิดความเข้าใจเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะได้ทาในสิ่งที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนเราให้ทานการให้ทานนี้เป็นการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้ให้เพื่อที่จะให้เราร่ำรวยขึ้นมาแต่ต้องการให้เราจนลงไปให้มีเงินน้อยลงไปจนกว่าจนไม่มีเหลือเลย เพื่อจะได้ออกบวชได้นันเองถ้าเรายังมีเงินมากยังรวยอยู่เราจะเสียดายความสุขที่เราได้รับจากเงินทองแต่ความสุขที่เราได้รับจากเงินทองนี้เป็นเหมือนความเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันเป็นอาหารชิ้นเล็กๆไม่พอที่จะยาไส้ของปลาแต่พอกินเข้าไปแล้วก็ถูกเบ็ด เกี่ยวติดที่ปากที่คอฉันใดความสุขทางเงินทองนี้ก็เช่นเดียวกันผู้ใดที่ยังยึดยังอาศัยเงินทองเป็นสิ่งให้ความสุขเป็นเครื่องมือให้ความสุขผู้นั้นก็ย่ำทุกข์กังวลกับเรื่องเงินทองอยู่เสมอเพราะเงินทองนี้มายากแล้วก็ไปง่าย เวลามานี่กว่าจะได้มาแทบเป็นแทบตายเวลาไปนี้แป๊บเดียวก็ไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมาก็จะว้าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายใจทุกข์ใจ <c oughs> แต่ผู้ที่ไม่อาศัาายเงินทองเป็นเครื่องซื้อความสุขเขาสามารถหาความสุข จากการปฏิบัติธรรมได้จากการรักษาศีลได้จากการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นอาหารที่ไม่มีเบ็ดติดอยู่เกี่ยวติดอยู่เป็นอาหารที่กินเข้าไปแล้วให้ความอิ่มหนำสำราญไม่มีความทุกข์คือไม่มีเบ็ดมาเกี่ยวปากเกี่ยวคอเอาไว้ นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายหากันด้วยการให้เราละความสุขจากการใช้เงินใช้ทองอย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปซื้อสุรายาเมลมาดื่มซื้อบุรี่มาสุซื้อเครื่อง บันเทิงต่างๆอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะหาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหาไปจนวันตายก็ยังไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้เช่นเวลาขาดเงินขาดทองไม่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้ ก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจยเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าร่างกายพิกลพิการไปหูหนวกตาบอดแขนขาขาขาไม่สามารถออกไปเที่ยวไปทำอะไรได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทุกข์จนอยากจะฆ่าตัวตายคนบางคนนี่ถึงกับฆ่าตัวตายเวลาเป็นโรคอมาะพึกออมภาต ทำอะไรไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาคอยเลี้ยงดู hmm. เพราะว่าไม่ไม่รู้มาก่อนว่าตอนเองนั้นสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีเงินมีทองหรือไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยการทำใจให้สงบ ด, ด้วยวิธีการต่างๆ เบื้องต้นก็ให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าใช้เงินทองนี้เพื่อซื้อความสุขให้เก็บไว้ไว้สำหรับซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งหงษเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่เราต้องมีเงินไว้สำหรับซื้อ แต่ไม่ควรที่เอาวงนนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานของที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มต้องรับประทานไม่ต้องไปดูสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องดูไม่ต้องไปฟังในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดพอได้เสพแล้วจะติด จะติดเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาได้เสพก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์มีความกังวลกังวายกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสุรายาเมาสุ บ, บุรีเครื่องดื่มตาม่ตางๆที่เราเคยเดื่มอยู่เป็นประจำขนมตาม่ตางๆที่เราเคยรับประทาน ถ้าวันใดเราไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานเราจะรู้สึกหงุดหงิดใจลำคางใจอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นี่เพราะว่าเราไปติดมันแล้วแต่คนที่เขาไม่ติดนั้นเขาไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเหล้าดื่มเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีบุหรี่สูบเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเครื่องดื่มชนิดต่างๆดื่มก็ไม่เดือดร้อน เวลาไม่มีขนมมารับประทานก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมภพุทธอมภาพหูหนวกวตาบอด ก, ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาสามารถมีความสุขได้โดยการปฏิบัติทําใจให้สงบ นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิก็ได้ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนทำใจให้สงบอยู่ในอเริยบทไหนก็ได้ถ้ามีสติแก่กล้าพอแล้วจะไม่หลับแต่ในเบื้องต้นเวลาฝึกสมาธิใหม่ๆถ้ายังไม่มีสติกำลังมากพอถ้าทำสมาธิในท่านอนมันจะหลับเพราะสติจะไม่มีกำลังพอ ที่จะดึงใจไว้ไม่ให้หลับนั่นเองเพราะเวลานอนนี้มันเป็นท่าที่สบายพอสบายแล้วสติก็จะไม่มีกำลังที่จะดึงจิตให้หลับให้ออกมาจากการที่จะหลับนี่เองดังนั้นเรื่องต้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติที่สามารถนั่งได้ควรจะนั่งอย่านอนเพราะนอนแล้วมันจะไม่เป็นสมาธิ มันจะเป็นการหลับมันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่าเราก็หลับได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่หลับฉะนนไม่มีใครนอนหลับได้ทั้ง24ชั่วโมงแต่การนั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลาที่เราเจอเวลาใดที่ใจเราสงบเวลานั้นเรามีความสุข มีความสุขยิ่งกว่าการได้ออกไปเที่ยวได้ดื่มสุราได้สู่บุรีได้รับประทานขนมต่างๆนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหลือความสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขใดในโลกนี้ชาติจะดีเท่าหรือดีกว่าความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่แล้วคือความสุขที่พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้พวกเรามาสร้างกันเพราะความสุขนี่แหละที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเพราะถ้าเรามีความสุขนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเรามันจะไม่สามารถทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวทาไม่สามารถทำให้ใจของเรา เศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจได้เลยใจของเราจะมีความเบิกบานแจม่มใสไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายและจะไม่คิดสั้นจะไม่คิดทำลายชีวิตของตน <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันให้เรามาศึกษาให้เรารู้จากทางที่ถูก ทางชีวิตของเรานี่มันมีหลายทางด้วยกันทางที่ถูกนี้ต้องไปทางนี้ทางของทานศีลและภาวนานี่แหละเป็นทางที่นำไปสู่สันติสุขทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ตรงนี้ผู้ใดได้พบกับความสุขทางใจแล้วจะไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆของ ร่างกายก็ดีของทรัพสมบัติเท่าของก็ดีของคนนั้นหรือของคนนี้ก็ดีมีก็มีไปหมดก็หมดไปร่างกายอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นอมาพึ่รอมภาสก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมีคนเลี้ยงก็เลี้ยงไปไม่มีคนเลี้ยงก็อย่างมากก็อดตาย มันก็ตายเหมือนกันแต่ใจที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี้จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวของร่างกายเรื่องเรื่องราวของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะรวยหรือจะจนก็ไม่เดือดร้อนจะมีตำแหน่งสูงหรือต่ำก็ไม่เดือดร้อนจะมีคนชมหรือมีคนด่าก็ไม่เดือดร้อนใจนี้มีที่พึ่งแล้วมีเกราะป้องกัน ไปต่างๆแล้วไม่มีอะไรสามารถที่จะมาทำลายใจอันนี้ได้ไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอันนี้ได้นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เรามาวัดเมื่อเราฟังแล้วเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องรู้แล้วว่าเราควรที่จะหาความสุขแบบไหนกัน ตอนนี้ถ้าเรายังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกทื้นกายเราก็ควรที่จะเริ่มพยายามลดละตัดมันไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะมันเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่เราจะฟันมันหนดเดียวให้มันขาดไม่ได้เราต้องพยายามฟันมันไปเข้าไปเรื่อยๆเอาขวานมาฟันต้นไม้ฟันก็ไปทีละเล็กทีละน้อย มันก็จะกินเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยไม้ก็จะหลุดออกมาทีละเล็กทีลน้อยไม่นานเดี๋ยวมันก็จะขาดจากกันได้การละความสุขทางตาหูจมวกลิ้นกายการละการยึดติดอยู่กับเงินทองเท่าของต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำไปนอกจากเรามีขวานที่คม และมีกำลังมากขวานนี่ก็หมายถึงปัญญาขวานที่ขวานที่คมนี้หมายถึงปัญญาส่วนกำลังก็คือสมาธิถ้าเรามีสมาธิและมีปัญญามากอย่างบางคนเช่นพระพุทธเจา้านี้ก็ตัดมันหนเดียวเลยออกบวชได้เลยฉละรน่าจะสมบัติได้เลยเพียงอายุ29ท่านก็ออกบวชได้แล้ว แต่ถ้าเราไม่มีกำลังเราก็ต้องค่อยๆเสริมสมาธิเสริมปัญญาคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงความเสื่อมของชีวิตถึงของความเสื่อมสิ่งของสิ่งต่างๆว่าเงินทองที่เราไม่อยู่นี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปจากมันไปหรือไม่เช่นนั้นมันก็จากเราไปก่อนนะชีวิตของเราก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆ เราไม่ควรที่จะมายึดติดกับร่างกายหรือกับเงินทองควรรีบสละร่างกายสละเงินทองเสียด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญานี่แหละจะทำให้เราสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่าง ออกไปจากใจของเราได้ถ้าเราตัดทุกสิ่งได้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราก็คือสิ่งที่เราไปยึดติดนั่นเองสิ่งที่เราไปยึดติดนี้เป็นเหมือนงูพิษถ้าเราไม่เอางูพิษมาเข้ามาในบ้านเราก็จะไม่มีงูพิษมากัดเราถ้าเราปล่อยงูพิษไว้ข้างนอกบ้านเราก็จะอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัย แต่ถ้าเราเอางูพิษมาไว้ในบ้านเราเราเถลอเราก็จะต้องถูกงูงพิษกัดอย่างแน่นอนฉันใดสิ่งต่างๆเช่นลาบยศทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี่เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนงูพิษที่จะกัดเราที่จะทําให้เรามีความทุกข์คนที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าจึงเอาสิ่งเหล่านี้ออกไป จากใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติสละปราสาทสามฤดูสละความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปปรีกวิเวย่ยอยู่ในป่าในเขาเพื่อรักษาศีลเพื่อทำใจให้สงบเพื่อจเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้ตัด การยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆให้หมดสิ้นไปตอนออกบวชนั้นก็ได้ตัดไปบางส่วนแล้วคือภายนอกได้ตัดลาบยศจละเสริญสุขแต่ยังไม่ได้ตัดการยึดติดในขันห้าคือรูปคือร่างกายแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้ตัดต้องมาตัดต่อด้วยการ นั่งสมาธิเจริญจงกรมพิจารณาให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่ใช่ตัวเราของเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถป้องกันหรือห้ามไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้เช่นร่างกายนี้ไม่สามารถห้ามไม่ให้แก่ ห้ามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้ตายได้เขาจะต้องเป็นไปตามความจริงของเขาใจไม่ควรที่จะไปยึดไปติดไม่ต้องไปกลัวกับความแก่กับความเจ็บกับความตายมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปความรู้สึกมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเวทนาเราก็บบังคับมันไม่ได้เวลามันเจ็บขึ้นมาทำอย่างไรก็ ก็ต้องหาวิธีรักษาเท่านั้นถ้ารักษาหายมันก็หายถ้ารักษาไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายไปเองแต่เราควรจะทําใจอย่าไปกลัวอย่าไปรังเกียจความเจ็บเพราะจะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราทําใจเฉยๆเหมือนเวลาหมอจะฉีดยาให้ ทำใจเฉยๆอย่าไปกลัวเข็มฉีดยาเพราะกลัวแล้วมันจะเกิดความทรมานใจถ้าไม่กลัวมันก็ไม่ใจก็ไม่เดือดร้อนมันก็เจ็บเพียงที่ร่างกายเท่านั้นใจเพียงรับรู้นี่คือการปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นลดปล่อยวางร่างกายปล่อยวาง ค, ความเจ็บของร่างกายเวลาที่เรานั่งสมาธิ แล้วเกิดอาการเจ็บปวดเราไม่ควรที่จะเปลี่ยนเนริยาบทควรจะคิดว่านี่เป็นการซ้อมกับการรับกับความเจ็บปวดของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือเวลาใกล้ตายก็ดีร่างกายนี้จะต้องเจ็บปวดอย่างมากแต่เราสามารถให้มัน เจ็บเพียงครึ่งเดียวคือเจ็บที่ร่างกายไม่ให้มันมาเจ็บที่ใจด้วยไม่ให้มันทุกข์ทรมานใจปวดไปด้วยด้วยการทำใจให้สงบให้นิ่งให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากให้มันหายไปหรือไม่อยากจะหนีจากมันไปอยู่กับมันเป็นเหมือนเพื่อนกันมันเป็นเหมือนเงาของเรา เงาของเรานี่เราหนีจากมันไม่ได้เราไปไหนมันก็ไปกับเราความเจ็บของร่างกายก็เช่นเดียวกันร่างกายอยู่ที่ไหนมันก็จะต้องมีความเจ็บเสมอไม่ช้าก็เร็วแต่ใจผู้รับรู้นี้ไม่ได้เจ็บไปกับเขาด้วยใจเป็นเหมือนคนดูหนังก็ดูไปเฉยๆเท่านั้นอย่าไปตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอ พราะมันเป็นภาพหลอนมันเป็นภาพเฉยๆมันไม่ได้เป็นของจริงใจอย่างใดร่างกายและความเจ็บปวดของร่างกายก็เป็นเหมือนภาพหลอนที่มาหลอกใจถ้าใจไปหลงตามก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใจรู้ทันแล้วปล่อยวางร่างกายจะเป็นอะไรจะเจ็บจะไม่เจ็บก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน อย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บค่ายได้ป่วยและกับความตายของร่างกายเพราะใจมีสาระมีที่พึ่งมีธรรมะสาระนี่เองก็คือปัญญาปัญญาที่จะสอนใจให้ปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางได้แล้วใจก็จะ หลุดพน้นมีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะป้องกันไม่ให้ใจไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆอีกต่อไปนะเมื่อไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความทุกขนะ์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากเป็น พอไม่ได้ตามความอยากก็เสียใจทุกทรมานใจหรือไม่เวลามีแล้วไม่อยากให้หมดไปเวลาหมดไปก็เสีย อ, อกเสียใจนี่เป็นปัญหาของใจล้วนๆที่ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆไปคว้าหูผิดเอาเข้ามาภายในบ้านของเราปล่อยหูผิดไว้ข้างนอกอย่าเอาเข้ามาในบ้านฉั้นไดอย่าไปยึดไปติดกับ ลาบยศสารเสริญสุขอย่าไปยึดไปติดกับรูป mm. เวทนาสัญญาสังขารปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาทรงเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วจึงได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราขอให้พวกเราพยายามน้อมเข้ามาด้วยการปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่า ชีวิตของเรานี้จะดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความเจริญมากขึ้นจะมีความเสื่อมน้อยลงไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดทุกวันพระเพื่อมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นามาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อ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 โดยทั่วหน้าการเธอ